ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องคนหลงฐานโดยสมณะราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่15เมษายน2534ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบัดนี้ค่ะ สาเหตุที่จะเทศเรื่องคนหลงฐานเหตุที่หนึ่งนะมันมีอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆเหตุที่หนึ่งก็คือว่ามีญาติธรรมามามีคนวัดนี่แหละบางคนอาจจะมาคุยหรือว่ามาถามอาจจะมาถึงเรื่องว่าเอ๊ะทำไมตัวเขาเองนี่มาอยู่วัดก็ตั้งนานหรือว่าบางทีปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมมาก็มากนะแต่ทำไมทำไมเขายังไปโกรธ ค, คนนั้นไปโกรธคนนี้ ทำไมกิเลสเนี่ยมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆอานานะอาตมาก็ยังถามเขากลับไปเลยว่าแล้วคุณคิดว่าคุณหมดกิเลสแล้วหรือยังอะ่ะจนกระทั่งเรียกว่ามันไม่มันไม่มีแล้วเหรอหรือว่ามันไม่เหลือแล้วเหรอเขาก็บอกว่าใช่มันก็ยังมีอยู่อ่ะอ้าวแล้วถามหน่อยว่าความโกรธคุณเนี่ยหมดกเกลี้ยงแล้วหรือยังเขาบอกว่าก็ยังมีอยู่อ้าวเพราะฉะนั้นมันก็ยังต้องมีสิใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันระดับไหนอะ่ะ คุณรู้ตัวคุณเองไหมล่ะว่าความโกรธของคุณเนี่ยมันอยู่ระดับไหนหรือว่ามันอยู่ฐานไหนอาตมาก็ยังลองถามไปซ้ําไปด้วยซ้ําไปว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ฐานไหนปุถุชนเหรอความโกรธระดับปุถุชนหรือเปล่าหรือว่าระดับกัลยาณชนหรือว่าระดับโสดาบันหรือว่าระดับสกิทาหรือว่าอนาคาหรือว่าอรหันใช่ไหมมันก็ถามถามเจ้าตัวเขาดูเจ้าตัวเขาก็บอกว่า คือก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็หรือว่าอาจจะไม่กล้าก็ได้ไม่กล้าที่จะพูดหรือว่าไม่กล้าที่จะตอบทําให้อดัมาก็พอซักไปถามไปก็จะเห็นว่าเอรู้สึกว่าเจ้าตัวเองก็ไม่ค่อยชัดในในความรู้สึกของตัวเองหรือแม้แต่บางทีเนี่ยบางครั้งพอทันเทศนะอาจจะถามเรื่องของโสดาบันหรือว่าอะไรอย่างนี้ถามว่าเอา้าใครแน่ใจว่าตัวเองเป็นบ้างใช่ไหม ก็ให้ยกมือสิพวกเราบางคนก็อาจจะไม่แน่ใจหรืออาจจะไม่เคยคิดเลยก็ได้ในเรื่องพวกนี้เหมือนกับอาตมานี่ปฏิบัติธรรมมาใหม่ๆนี่ไม่เคยคิดเลยนะเรื่องพวกนี้คิดอยู่อย่างเดียวว่าคือปฏิบัติธรรมมันไปอ่ะปฏิบัติมันไปให้มันดีที่สุดเราก็พยายามสำรวจตัวเองแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งพันเตคู่ฟ้านะวิริยาพานโอ ท่านเคยถามอาตมาว่านี่ท่านท่านว่าท่านเนี่ยอยู่ฐานไหนเนี่ยนะคือหมายถึงว่าโสดาสกิทาอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็บอกว่าเอออาตมาไม่เคยคิดเลยนะก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงหรือว่าแม้แต่บางทีบางครั้งเนี่ยพอท่านพูดพอท่านให้ยกมือเนี่ยอาตมาเป็นสมณะ น, ะนั่งอยู่บนตัลลาบางทีก็ไม่ได้ยกนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่าเราจะไปอยู่ฐานไหน คิดอยู่อย่างเดียวว่าปฏิบัติไปใช่ไหมคืออะไรให้มันเหมือนอย่างที่พ่อบอกอ่ะกว่าจะรู้ตัวเราก็อ่ะสูงเสียแล้วอะไรอย่างนี้ก็คิดอยู่ทํทนองนั้นว่าปฏิบัติมันไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีเนี่ยมันไม่อย่างนั้นเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยกว่าจะรู้ตัวมันก็สาบศูนย์ซแล้วนะคือมันหายต๋อมไปจากวัดซะแล้วมันไม่แน่เสมอไป เพราะนั้นอาตมาก็ยังอยากจะบอกว่าเอ๊ะมันก็ต้องเพราะนั้นมันต้องชัดกันเหมือนกันนะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่ชัดเลยเนี่ยใจที่ไม่ชัดนี่อาตมาว่าเดี๋ยวใจจะช้าได้ถ้าใจที่ไม่ชัดเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะไม่ชัดในธรรมนะอันนี้สําคัญมากใจที่ไม่ชัดในธรรมนี่โอกาสช้ามีเยอะเพราะอาตมาต่อไม่ได้ตอนนั้นนะต่อท่านวิยาพาโนโไม่ได้อาตมาก็มาก็มังคิดอยู่เหมือนกันว่า เอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเราจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราก็ปฏิบัติธรรมมามันก็ค่อยๆนะเริ่มเริมเริ่มมีความคิดเกิดขึ้นแล้วว่าเอ๊ะมันใช้ไม่ได้นี่ยิ่งนึกถึงพระสูตรที่ภาษาลีบุตรท่านเคยกล่าวถึงว่าคนที่แม้บางทีเนี่ยตัวเองมีดีอยู่คือว่าปฏิบัติธรรมได้ดีอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจชัดในตัวเองเนี่ยคนนั้นมีโอกาสที่จะเสื่อมหรือว่าจะตกต่ำเนี่ยได้ เพราะไอ้ความที่ไม่ชัดนั่นแหละมันทําให้เกิดวิจิตรชา้าเกิดความลองเลสงสัยหรือเกิดตัวที่เรียกว่ า, าคิดหน้ามือไปหลังมือ ก, กลกับกันเลยก็ได้บางครั้งมันไม่แน่ทั้งทั้ที่บางทีเอ่ ย, ยอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นบางคนอย่างเงี้ยอาจจะไม่กินเหล้าไม่สูบุรีหรือว่าไม่ติดอบายามุกอะไรแต่ว่าถ้าเขาไม่ชัดว่าอบายามุกนี่มันไม่ดียังไงใช่ไหมมันมีผลเสียผลเลวร้ายยังไง แล้วการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาลดละกิเลสแล้วเลิกอบายามุกแล้วเลิกสิ่งที่เราติดนั้นแล้วมันดีขึ้นมายัางไงถ้าเราไม่ไม่ชัดในตัวนี้นี่บางทีเนี่ยมันจะกลับไปติดได้อีกนะหรือว่าถูกคนมาหลอกล่อให้เราไปหลงแล้วก็ไปติดได้อีกว่าอันเนี้ยมันมันมีผลอย่างนี้ได้นะอันนี้เป็นสาเหตุที่หนึ่งที่อาตมาคิดว่าเอออยากจะมาเทศในเรื่องนี้ส่วนสาเหตุที่สองนี่ก็ มันมีผลมาจากที่หลังๆมานี้เนี่ยอาตมาก็รับไปกับคนในวัดนะคือว่าเขาก็จะต้องมาให้ ต, วตรวจศีลอาตมาก็จะตรวจเช็คดูศีลของเขาเสร็จแล้วก็จะดูว่ า, าเขาผิดศีลอะไรยังไงบ้างซึ่งอาตมาก็จะเห็นอยู่ว่าบางทีนี่ก็ไม่ค่อยแม่นน่ะไม่ค่อยชัดแล้วตรวจศีลธรรมดานี้ก็ตรวจกันแบบว่า ส่วนใหญ่นะก็ใช้ขีดถูกขีดผิดใช่ไหมอย่างเช่นสี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะตรวจกันว่าถ้าเราผ่านเราคิดว่าผ่านเราก็ขีดถูกไปถ้าเราคิดว่าไม่ผ่านเราก็กระบาดผิดซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยบางทีผลมาออกมาจะมารู้สึกว่ามันก็มันเหมือนกับบางทีมันง่ายเกินไปแล้วมันก็พื้นเกินไปจนกระทั่งออมันเหมือนกับติดแป้น มันมันไม่มันไม่คิดที่จะปฏิบัติให้สูงกว่านั้นไปอีกละเพราะมันมีแค่สองช้อยสองเอ่อสองตัวเลือกเท่านั้นเองคือผิดกับถูกเท่านั้นเองเพราะอาตมามารับตรวจศีลมากๆเข้ามากมาเข้ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอย่างนี้นี่มันมันออกจะติดแป้นเกินไปละหรือบางคนก็ก็ไม่ใช่ติดป้นนะนะแต่ว่าอาตมาว่าก็ไม่ได้สำรวจตัวเองเนี่ยให้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่าน้ำ ใ ห, ให้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นเพราะว่ามันพิจารณ า, นานง่ายนี่แค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นก็คือคิดแต่ตัวห ย, ยาบๆอย่างเดียวเท่นั้นในตัวที่บางทีนี่ขีดความสามารถของเราหรือว่าฐานของเราเนี่ยเราทําได้สูงกว่านั้นขึ้นไปอีกสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็บางทีเราก็ไม่ค่อยมาพิจารณ า, นานแล้วก็จะผ่านไปเลยมันง่ายเกินไปแทนที่เราจะทําวิจัยได้ดีกว่า น, นั้นมันก็เลยทําให้เผลินเพินเกินไปน ะ, ย, ะยกตัวอย่าง คนที่เขาปฏิบัติทำเข้มข้นหน่อยหรือว่าเขาค่อนข้างจะทำวิจัยในศีลของเขาเนี่ยให้มากขึ้นนี่นะอย่างเช่นอย่างพร้อมพิชัยเนี่ยอาจารมาคเคยตรวจนี่แทนที่เขาจะามาเช็คเป็นถูกหรือผิดนี่เขาไม่ได้เช็คอย่างนี้นะเขาไม่ได้ตรวจอย่างนี้เขาใช้ตรวจเป็นเอบีซนะีดีนะก็อพูดง่ายว่ามันมีสี่ขั้นตอนเขาใช้อย่างนี้ตรวจ อาตมาก็เคยเคยถามถามอยู่เหมือนกันเนะ่ยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าฟังฟังแล้วอาตมาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะเพราะว่ามันก็ตามที่ถีของเขาตามความคิดของเขาแล้วส่วนใหญ่ที่เขาจะผิดเขาจะเช็ค เ, เขาจะตรวจผิดอยู่บ่อยๆนี่ก็คือสีลข้อที่ห้าซึ่งอาตมาคิดว่าเขาก็คงคิดจากว่าสิลข้อที่ห้าเนี่ยเป็นสินข้ อ, อถือว่าละเอียดที่สุดเอาเอธิศินเอาอะไรมารวมหมด เพระน้ำพร้อมิชัยเนี่ยเวลาตรวจศีลเนี่ยมักจะตรวจผิดข้อที่ห้าเนี่ยอยู่บ่อยๆหรือว่าเกือบตลอดแหละส่วนใหญ่เพราะว่าเขาถือว่าศีลข้อที่ห้านี่ละเอียดมากอธิศีลมากข้ออื่นๆเนี่ยข้อหนึ่งสองสามสีนี่ส่วนมากจะผ่านตลอดนะมันจะมาติดอยู่ที่ข้อห้านี่เขาอาจจะคิดแบบว่าความปร ะ, ะความประมาทนะเพราะว่าศีลข้อห้านี่คือการอะไรติดมัวเมาในสิ่ง เสพติดให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทใช่ไมังนั้นเขาจะเอาอันนี้เป็นตัวเช็คละเอียดเลยซึ่งอาตมาเองก็ยังรู้สึกว่าเอมันก็ยังไงอยู่มันก็ไม่ค่อยลงตัวนะในใจตัวเองคิดอย่างนั้นเศษตะหลังมีบางคนอีกยิ่งบวันนี้อีกนะไม่ใช่ไม่ใช่เช็คแค่สี่ระดับนี้บางคนเช็คนี่ถึงสิทธิอําดับเนี่ยในสินแต่ละข้อเนี่ย คือสินข้อหนึ่งเนี่ยเขามีรายละเอียดถึง10อันถึงถึงถึงให้คะแนน10อัตมาก็ยังเคยคุยเคยถามดูอัตมาก็งงเหมือนกันนะฟังแล้วก็เมาอ่ะเอ๊ะมันยังไงคือเห็นด้วยนะในความละเอียดอัตมาสนับสนุนด้วยยิง่งแต่ว่าบางทีเราฟังแล้วเราก็เมาเมาอยู่ว่าเอ๊ะมันละเอียดยังไงก็นี่แหละสองสาเหตุใหญ่ๆหเนี่ยที่ทำให้อัตมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากจะมาคิด ตรวจศีล น, นะโดยที่เรียกว่าทำยังไงที่มันจะให้เป็นเป็นมาตรฐานขึ้นมาบ้างนะหรือว่าทำยังไงที่จะให้เราเนี่ยเลื่อนฐานของเราขึ้นมาบ้างแทนที่เราจะหยุดอยู่กับที่คือถ้าเช็คกันง่ายๆแบบเอาแค่สมมติอย่างเดียวอาตมารู้สึกว่ามันก็จะอยู่แค่สมมติที่มันติดอยู่แค่ตรงนั้นนั้นเอง คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาปรมามัดเพิ่มขึ้นาอาตมาเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้นี่ลองลองเช็คกันแบบเพิ่มปรมามัดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอาตมาก็เลยทดลองดูให้คนวัดบางคนเนี่ยลองไปเช็คดูนะโดยใช้หนึ่งสองสามสีเนี่ยในศีนทุกๆข้อเนี่ยที่เขาจะจะตรวจศีลซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะมันก็มีความยุ่งยากอยู่ยังไม่ลงตัวทีเดียวแหะ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะทดลองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่เห็นผลมาก็รู้สึกว่าเขาก็บอกว่าดีกว่าเดิมนะแต่ว่าอาตมาก็ยังเห็นข้อเสียมันอยู่นะเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวจะพูดถึงว่ามันมีข้อเสี ย, ยไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาตมาก็เลยให้ให้ทดลองทําดูอย่างนี้อาตมาก็เลยให้ทดลองนี้โดยศินข้อที่หนึ่งเนี่ย นะเอายกตัวอย่างสิลข้อที่หนึ่งก่อนเราจะให้คะแนนเสียงดัดเนี่ยเราจะให้อย่างไงอย่างเช่นสิลข้อที่หนึ่งถ้าเราจะได้หนึ่งคะแนนเนี่ยได้หนึ่งคะแนนต่อเมื่ออย่างนี้หนึ่งคะแนนนี่จะมาเปรียบเหมือนกับนี่เป็นการเปรียบเทียบนะอย่างเช่นหนึ่งคะแนนนี่เปรียบเหมือนกับฐานโสดาบันสองคะแนนนี่เปรียบเหมือนกับฐานสกิทาสามคะแนนนี่เปรียบเหมือนกับฐานอนาคา นะสี่คะแนนนี่เปลี่ยนมือนกับฐานของอรหันต์แต่หมายถึงว่าแต่ละเรื่องนะหรือว่าแต่ละข้อที่พ่อท่านเคยพูดถึงอย่างเช่นอะไรโสดาในโสดาสกิทาในโสดาอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นลําดับท่านไปแต่อันนี้ก็เป็นแต่แตละเรื่องอีกอย่างเช่นคราวนี้สิงข้อที่หนึ่งเราจะได้หนึ่งคะแนนนี่หมายถึงว่าอย่า ง, งน้อยคนนี้จะได้หนึ่งคะแนนก็เหมือนกับว่าจะต้องได้เหมือนกับฐานโสดาบัน ในเรื่องนั้นคือในเรื่องศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคือไม่ฆ่าสัตว์ปัดชีวิตใช่ไหมหรือว่าไม่เบียดเบียนทําร้ายกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเช็คเนี่ยเอาละเราก็มาเริ่มอย่างเช่นอาตมาจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าในทางโทสะนะในทางโทสะในทางหยาบหยาบเนี่ยคงเคยจะยินนี่ยที่พ่อท่านบอกว่าแม้เป็นฐานโสดาบัลแล้วแต่ว่า โทสะก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแม่ฐานโสดาบันนะโทสาก็ยังมีอยู่แล้วก็ระดับไหนอะระดับกายกรรมจะมีได้ไหมเราเรามาคิดดูซึ่งอาตมาอยากบอกว่าระดับกายกรรมก็ยังมีอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบที่อะไรล่ะอยาบแบบว่าเราเจตนาหรือว่าเราเราตั้งใจหรือว่าเราไม่ระ ง, งับเลยไม่ได้ฝึกปือเลยไม่ใช่ อย่างเช่นที่พ่อท่านเคยอาจจะพูดว่าฐานโสดาบันนี่อา้าวใครมายั่วมากๆใครมาแกล้งมากๆหลายๆครั้งเข้ามันอดไม่ไหวถึงที่สุดมันสุดจะอดจะกั้นถึงที่สุดแล้วมันก็เตะก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันเป็นทรนองนี้ซึ่งเราจะให้เราจะให้เห็นได้ว่าถ้ามันถึงที่สุดอย่างนั้นมันมีได้มันเป็นได้พราแม้ฐานโสดาบันเองก็เหอะหรือในสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ย ถ้าไม่ไม่ถูกยั่วยุไม่ถูกอะไรจนถึงขนาดแล้วนี่อาจจะมาว่า อ, าอดทนอดกลั้นได้ อ, อย่างง่ายๆนะอาจะมาสมมุติว่าอย่างง้อยๆเนี่ยสามครั้งต้องไม่ต่ํากว่านั้นเราต้องอดใจตัวเองอย่างต่าๆที่หมูกี้หมานี่ต้องไม่ต่ํากว่าสามครั้งนะ <S <S ถ้าเป็นพันเตตีล่านี่ท่านท่านจะพูดหนกักกว่านี้นะพันเตตีล่านี่ท่านบอกครั้งที่หนึ่งอดได้ใช่ไหมครั้งที่สองอดได้ใช่ไหมครั้งที่สมอดได้ใช่ไหม ครั้งที่สี่หละอดใจหรือเปล่าถ้ามันเตนเ ต, เติล่ามันก็จะเอาสูงขึ้นไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยอาตมาก็เอาเอ า, เอาระดับอย่างนี้แหละว่าเราบังคับใจเราแล้ ว, ลวเราฝืนแล้วล่ะสุดจะดนยั่วแล้วนะจนกระทั่งมันไม่ไหวจริงๆมันอาจจะเอ่อมือมันอาจจะพรังไปบ้างนะอะไรอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้อาตมาถือว่ามันอยู่ในได้หนึ่งคะแนนถ้าเราพลาดทั้งไปอย่างนี้นะในคานองนี้ ไม่ใช่ว่าพอเขามายั่วเสรก็เอาเลยใช่ไนะลงไม้ลงมือไม่มีการอดทนไม่มีการขม่มกา้านไม่มีการฝืนเลยไอ้อย่างนั้นมันผิดแน่ๆอยู่แล้วนะผิดศีลอยู่นแน่ๆอยู่แล้วหรือบางทีทุกวันนี้บางทีก็ตรวจตรวจศีลของพวกเด็กๆ ด, ด้วยนะมีตรวจศีลของพวกเด็กนักเรียนกศ น, นด้วยอาตมาก็จะเห็นว่าบางทีพวกเราก็ไม่ชัดไม่ชัดนะซึ่งอาตมาก็ฟังพ่อท่านเทศมาหลายทีแล้ว พ่อท่านก็พูดถึงว่าถ้าสมมติสินข้อหนึ่งเนี่ยบางทีเราไปทําสัตว์ตายอย่าเงี้ยไปทําพวกมดมแมลงหรือว่าจะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ตายเนี่ยถ้าโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าไม่ได้เจตนาแล้วนี่ไม่ถือว่าผิดสินข้อหนึ่งหรอกแต่วิบากกรรมนี่มีแน่เราก็จะต้องชดใช้วิบากกรรมน่นแน่แนที่จริงอย่าว่าแต่พวกมดมแมลงนี่เลย อตาตมา ย, ยังเคยสมมุติให้บางคนฟังว่าหนักหนั ก, นกด้วยซ้ํำไปว่าบังเอิญด้วยซ้ํำไปเราอาจจะไปทําคนตายอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่โมดมาแรงเลยเดี๋ยเราไม่ได้เจตนาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลยนะบังเอิญไปทําเขาตายแม้จะเป็นคนนั้นก็เถอะเราเองเราก็ไม่ผิดศีลก้อที่หนึ่งหรอกแต่ว่าวิบากกรรมมีแน่นอน เ, เขาเาไม่ได้อยากตายเองนะเขาอยากจะมีชีวิตอยู่เพราะเราไปทําให้เขาตายนี่เขาก็ คงจะนั่นแหละนะไม่ชอบใจแน่ๆอยู่แล้วเราก็ต้องรับใช้วิบากแบบนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้อาตมาถือว่าได้หนึ่งคะแนนในเรื่องของเป็นเชิงที่มันเป็นโทสะนะในเรื่องของเป็นเชิงโทสะแต่ถ้าเป็นเชิงของราคะอนนีถ้าเป็นเชิงของราคานะถ้าเป็นเชิงของราคะเราก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆว่าโสดาบันเนี่ย ฐานของโซดาบันนี่ก็จะแต่งงานหรือว่ามีคู่ครองเนี่ยได้ใช่ไหมมีลูกเต้าได้เพราะเรายังจะให้เห็นได้เลยว่าในฐานของโสดาบันนี่ในเรื่องของกายกรรมยังมีอยู่แต่มันมีกฎใช่ไหมมันมีระเบียบมันมีเส้นมันมีอะไรกําหนดลงไปอีกที่จะควบคุมเอาไว้ว่ามันต้องระดับนี้นะไม่ไปเป็นชู้สู่ชายสู่หญิงอะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นระดับกายกรรมยังมี แต่มีในกําหนดในเกณฑ์ของศีลที่เรากําหนดอันนั้นนั้นเพราะฉะนั้นในระดับที่จะได้หนึ่งคะแนนนี่อาตมาถือว่าหมายถึงว่ากายกรรมเรามีได้แต่ว่าอยู่ในกฎเกณฑ์หรือว่าอยู่ในข้อบังคับนะหรือว่าพลาดทั้งไปสุดทนสุดก้านไปอันนี้ถือว่าได้หนึ่งคะแนนนะหรือว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานของของโสดาบันในเรื่องนั้นๆ แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าขึ้นไปจะได้สองคะแนนคนนี้นะเป็นฐานของสกิทาคามีอาตมาก็ใช้ลําดับง่ายๆโดยใช้การที่เรียกว่าลดจากกายกรรมก็มาเป็นวจีกรรมนะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะแต่อาตมาก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะว่าเพราะว่ามันลําลองพอที่จะให้เรามาพิจารณากันได้ไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีวิธีอะไร คืออาตมาเองอย่างที่วิธีอื่นไม่ออกเรคิดวิธีที่มันเ อ, อิมันง่ายพอสมควรแล้วก็มันพอจะมาใช้ได้เนี่ยเอามาลองใช้กันดูเพราะฉะนั้นจะได้คะแนนสองเนี่ยคราวนี้มันเป็นขั้นวจีกรรมนะวะจีกรรมมีนยังมีอยู่นะในตามที่อาตมากคำนวณ น, นี่คืออาตมาถือว่ากายการรมนั้นหยาบเลยเป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของการอะไรต่างๆนานา แต่ขั้นิ지กรรมนี่มันขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งซึ่งบางทีมีบางทีถ้าสมมติว่าเราโดนยัออย่วยุเราโดนอะไรต่ออะไรแล้วบางทีมันจะอดไม่ไหวหรอกนะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันก็ยังมีกิเลสอยู่มันยังไม่ใช่อนาคามีหรือว่าไม่ใช่อรหรันเราถึงได้จะแหมอดทนข่มฝืนได้ถึงที่สุดอะไรมันยังไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมีได้ใครมายั่วเราถ้าไปในทาง โทรศัพก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยบางทีเนี่ยอดก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันดา่าบางทีมันพลาดพังได้นะหรือถ้าไม่ด่าก็เอาแล้วก็ต้องถกเถียงกันอย่างรุนแรงใช้ภาษาที่เรียกว่าเทื่อนๆหน่อยหรือภาษาหยาบๆหน่อยมันอาจจะมีออกไปออกไปได้แต่ว่าโดยใจจริงแล้วนี่อดแล้วทนแล้วสุดที่จะข่มกั้นแล้วนะ จนกระทั่งเลยว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงได้หลุดออกไปซึ่งอันนี้มันจะมีข้อแม้เป็นจานองนี้อยู่นะอันนี้เป็นเรื่องของของวจีกรรมขึ้นมาซึ่งถ้าสมมติว่าใครพลาดทั้งอย่างนี้อาจจะมาถึงว่าเออถ้าอย่างนี้ถือว่าสองคะแนนนะถ้าในเรื่องของของโทสานะแต่ถ้าในเรื่องของราคาก็เหมือนกันนะในเรื่องของราคะเราจะเห็นได้ว่าราคาถ้าเป็นสกิทาคาร์มีขึ้นมานี่ การมันจะต้องเบาบางลงหมายถึงว่าเราจะทําให้มันเบาบางลงเนี่ยเราจะลดกามลงเพราะฉะนั้นแล้วนี่ไอ้ที่จะไปไป็นมีคู่หรือว่าจะไปอะไรนี่เราเริ่มตัดแล้วใช่ไหมเริ่มมาเป็นศีลแปดขึ้นมานี่ใช่ไหมถ้าโสดานี่ก็ถือว่าศีลห้าใช่ไหมถ้าเริ่มขึ้นมาศีลแปดนี่มันก็เริ่มที่จะเอาละพยายามทําตนให้เป็นโสดขึ้นมานะหรือว่าใครมีคู่ครองอยู่ก็พยายามที่จะลดเรื่องของเมทุนเรื่องของอะไรต่างๆลงไป เพรา ะ, ะนั้นถ้าในเรื่องของการเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะได้สองคะแนนนี่บางครั้งเอา้าบางทีเมื่อมันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีการอยู่มันก็มีแหละมันก็จะมีเผลอบ้างพลาดพังบ้างที่เราจะาพูดออกไปนะบางทีมันจะมีอยู่เพราะว่ามันยังไม่เก่งถึงที่สุดหรอกเพราะฉะนั้นมันมีพลาดได้แต่ว่าต้องถามใจตัวเองดูก่อนว่า ไอ้ที่เราพลาดเนี่ยเพราะว่าพอเราเกิดขึ้นมานะเกิดราคะขึ้นมาแล้วเราเราก็ไม่อดทนอดกัน้นเราก็ไม่ได้ข่มฝืนอย่างน้อยน้อยอาตมาบอกครับอย่างน้อยนะ้อยถึงที่สุดแล้วหรือยังถ้าไม่ถึงที่สุดแล้วเราก็ทําออกไปอันนั้นเราผิดศีลแน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าสมว่าเราก็พยายามแล้วเต็มที่แล้วสุดฝืนแล้วแล้วมันก็ยังยังอย่างนั้นออกไปนะแต่ว่าแค่วัจกรรมนะอาตมาพูดนี่มันอยู่ใน คะแนนที่สองวัตีกรรมมันก็มีออกไปบ้างแต่จะให้เห็นเลยว่ามันไม่ออกไปโอ้โหถึงขั้นแบบว่าหยาบคายอะไรจนเกินไปหรอกแต่ว่ามันจะมีแหละเพราะว่าฐานฐานของมันอยู่ในอันนี้มันก็จะมีหลุดออกไปบ้างจะจะมีสํานึกพอทําไปแล้วนี่จะมีสํานึกแล้วก็จะละอายมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะของฐานของจิตมันก็จะละอายพอละอายเสร็จมันก็จะพยายามเลิกลักษณะอย่างนั้นให้ได้ น่จะละอย่างนั้นให้ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยสูงขึ้นนะอันนี้ถ้าอย่างนี้จะได้สองคะแนนอันนี้ถ้าขึ้นไปอีกจะได้สามคะแนนนะก็เป็นฐานของเหมือนกับอนาคามีคือถ้าเป็นฐานของอนาคามีเนี่ยมันก็จะลดกายกรรมลงไปอีกใช่ไหมลดวจีกรรมลงไปอีกมันก็จะเหลือแบบว่าใจเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมจะเหลือใจเนี่ย เพราะบางทีบางคนอาจจะโกรธหรือว่าอาจจะไปสนใจใครหรือว่าชอบใจใครก็ก็ก็ได้นะเพราะว่าใจมันยังไม่ถึงที่สุดเพราะใจมันจะมีแต่ว่าเราก็พยายามเต็มที่แหละอดทนกลืนฝืนเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละมันทําให้รู้สึกตื่นตัวขึ้นแล้วมันก็ทําให้ชัดเจนตัวเองยิ่งขึ้นด้วยว่าตัวเองเนี่ยมันอยู่ฐานไหนกันแน่ นะว่าตัวเองเนี่ยมันอยู่ฐานต่ําหรือว่าตัวเองจะอยู่ฐานสูงแต่อาตมาก็ขอเตือนนะที่ตั้งชื่อเรื่องนี้ไว้ว่าคนหลงฐานนี่ไม่ใช่อะไรหรอกที่ตั้งขึ้นมาก็จะตั้งมาเพื่อที่จะเตือนกันเอาไว้ด้วยว่าค้นเสียมันก็มีที่อาตมากลัวที่สุดก็คือกลัวว่ามันจะหลงเลอะหรือเปล่านะ่ะเดี๋ยวพอตัวไปตรวจมาในสี่เต็มอยู่เรื่อยสี่เต็มอยู่เรื่อยนี่สงสัยชั้นอรหันต์แล้วคราวนี้ก็มองใครก็เอาละสีได้เรื่องนะนะคราวนี้ อาตมาจะบอกให้รู้จะหลงกันได้ง่ายนะอันนี้อาตมาต้องขอย้าไว้เลยว่าะจะหลงได้ง่ายจริงๆเพราะว่าถ้ามันหรือแม้บางทีไม่หลงถึงขนาดไปสูงส่งเลิอดเลืออะไรแต่อย่างน้อยๆนะมันจะหลงอย่างนี้อย่างเช่นบางทีเคยเป็นเพื่อนฝูงกันมาก่อนใช่ไหมเคยคิดว่าอยู่ฐานเดียวกันอเคยคิดว่าอฉันก็สมมุติว่าฉันก็คลาวา่าเธอก็คล้าวา่มาพร้อมๆกันอนะไล่ๆกันอก็เคยคิดว่า สูสีสูสีเคยคิดว่าพอพอกันฐานเดียวกันแต่พอคราวนี้พอเช็คอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมพอเช็คขึ้นมาแล้วคราวนี้เอาละชักชักหลงนะชักเลิกว่าตัวเองนี่สูงกว่าอันนี้พูดในแนวหลงนะว่าตัวเองเนี่ยสูงกว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วกว่าคราวนี้พอเป็นอย่างนี้ปับ๊บใช่ไหมมันก็เริ่มมองเพื่อนฝูงหรือว่ามองออคนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยเริ่มมองแบบกดข่มแบบ เริ่มมองแบบดูหมิ่นเขาเริ่มมองแบบว่าไม่ใช่มองอย่างเดียวบางทีทั้งพูดทั้งอะไรแบบเป็นเชิงกดกระทบเขาบางทีเป็นเชิงที่เรียกว่าอะไรอะ่ะชันนี่สูงกว่าแกนะอะไรอย่างนี้มันจะเป็นเชิงนี้เลยซึ่งมันจะทำให้มีปากมีเสียงแล้วก็ทำให้วางกันไม่ได้แล้วก็ยิ่งทาให้เกิดการทะเลาะเบาแวงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผลเสียมันมีได้ด้วย วันเราก็จะต้องรู้แต่ที่อาตมาอบอกว่าถ้าใครเนี่ยยิ่งพิจารณาตัวเองแล้ว ย, ยิ่งชัดตัวเองแล้วผลดีที่ตัวเองจะได้รับนะอาตมาอยากจะบอกว่าคนนั้นจะทุกข์น้อยลงเหมือนกับที่อาตมาบอกทีแรกอะว่าบางคนนี่ก็ไม่ชัดในตัวเองใช่ไหมมาถามอาตมาบอกเอ๊ะทำไมยังจะต้องโกรธอยู่ทําไมยังจะต้องอยิง่งอยู่ก็แสดงว่าเขาไม่ชัดตัวเองว่าเขาอยู่ฐานไหน ถ้าเขาชาติตัวเองว่าเขาฐานไหนเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาโกรธระดับไหนเขาจะรู้ตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉนั้นเมื่อเขายังอยู่ในฐานนี้เขาก็ต้องโกรธระดับนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ผิดปกติหรอกมันถูกต้องแล้วแต่เมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานนี้โกรธระดับนี้อะ่ะจะเลื่อนฐานตัวเองไหมล่ะจะหยุดอยู่กับที่เหรอหรือว่าจะให้เสื่อมลงเพราะนั้นถ้าเขาคิดว่าเขาจะจะจ ะ, จ ะ, จะสร้างความจเจริญให้กับตัวเองยิ่งขึ้นนี่ใช่ไหมเขาก็ลดความโกรธตัวเองลงไปสิใช่ไหมเลื่อนฐานตัวเองขึ้นมา ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าอย่างนี้คนนี้ชัดคนนี้จะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ซึ่งซึ่งคนยังมีกิเลสอยู่เนี่ยใครบ้างล่ะที่จะไม่ทําผิดพลาดบางทีเนี่ยอดใจไม่ได้เดี๋ยวก็โกรธเอาอีกแล้วนะไม่พอใจไม่รู้แหละจะระดับไหนก็แล้วแต่อาจจะโกรธระดับโสดาหนะนึง่งโกรธระดับสกีธาอย่างหนึง่งโกรธระดับแบบว่าอนาคาอยู่ในใจก็อีกอย่างหนึง่งนะซึ่งเราเมื่อเราชัดอย่างนี้เนี่ย ไอ้ความทุกข์ที่เราจะมีหรือไอ้ความที่เราจะไม่ชัดเจนตัวเองแล้วทำให้เกิดสงสัยเกิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าบางทีท้อใจเลยบางคนท้อใจระเหียใ จ, ใจบอกโอ้โหทำไมมาอยู่วัดก็ตั้งนานแล้วปฏิบัติธรรมก็ตั้งนานแล้วทำไมยังมีความโกรธอยู่เนี่ยมันมันหลงเลอกเกินไปไอ้อย่างนั้นน่อาตมาอยากจะบอกว่าอย่างนั้นมันหลงฐานสูง นะถ้าจะเอาหยาบๆมันก็มีสองอย่างคือหลงฐางสูงกับหลงฐานต่ําหลงฐานสูงก็คือว่าบางทีเนี่ยฟังเทศฟังธรรมมากใช่ไหมความรู้เรามีมากแต่ว่าสภาวะจริงๆหรือว่าปรัตญาจริงๆที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้มีเท่าที่เรามีความรู้เพราะฉะนั้นพอเวลาไปผัสสะไปเจอของจริงเข้าอะไรเข้าเนี่ยมันไปนหลงตามที่ตัวเองรู้แม้ว่าโอ้โหโกรธไม่ได้เลยนะ อย่างที่อาตมาถามอ่ะคุณหมดกิเลสแล้วเหรอคุณถึงไม่โกรธเลยอ่ะคุณ เ, เป็นอรหันต์แล้วเหรอคุณถึงไม่โกรธเลยซึ่งจะให้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นมันมีแน่ๆถ้าเขายังมีกิเลสอย่างนั้นอยู่อันนี้แหละที่อาตรมาอยากอยากจะบอกว่ามันจะต้องต้องเข้าใจอันนี้ให้ได้ถ้าสมมุติว่าทําไมเข้าใจจุดนี้แล้วโอ้จะมีความทุกข์อยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเลยแต่ก็ระวังเหมือนกันนะเพราะว่า อาตมาเองก็เท่าๆที่ทดลองมาดูนี่ก็มีเหมือนกันที่บางคนก็เมาๆเหมือนกันงงๆเหมือนกันนะไปไปมามาเลยเลยไม่รู้จะเช็คยังไงเลยก็มี <laughs> เพราะว่ามันเมามันเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้